เรื่องประตูโคโดมและท่าโคโดมที่แม่น้ำคงคาสมัยนั้นสุนีทะและวัสการะผู้เป็นมหาอามาตย์แห่งมคตรัฐตามส่งเสด็จพระผู้มีพระภาคไปทางพระปริสดางด้วยดำริว่าวันนี้ประตูที่พระสมณโคโดมเสด็จออกจะได้ชื่อว่าประตูโคโดมท่า ที่เสด็จข้าแม่น้ำคงคาจะได้ชื่อว่าท่าโคดมต่อมาประตูที่พระผู้มีพระภาคเสด็จผ่านไปนั้นได้ปรากฏนามว่าประตูโคดมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปทางแม่น้ำคงคาเวลานั้นแม่น้ำคงคามีน้ำเต็มเสมอตลิ่งนกกาพอดื่มกินได้ คนทั้งหลายประสงค์จะไปจากฝั่งนี้สู่ฝั่งโน้นต่างก็หาเรือแพรหรือผูกแพลูกบวบพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นคนเหล่านั้นกําลังหาเรือแพและผูกแพลูกบวบจะข้ามฟากได้ทรงหายไปจากฝั่งแม่น้ำคงคาไปปรากฏที่ฝั่งฟากโน้นพร้อมกับภิกษุสงฆ์ เหมือนคนมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าครั้นพระองค์ทรงทราบความนี้แล้วทรงเปล่งอุทานว่าคนพวกหนึ่งกำลังสร้างสะพานข้ามสระใหญ่โดยมิให้แปดเปื้อนด้วยเลนตมขณะที่คนอีกพวกหนึ่งกำลังผูกทุ่นอยู่ ชนผู้ฉลาดได้ข้ามพ้นไปแล้ว